นิทานธรรมบทแปลเรื่องปลาชื่อกะปิละได้ยินว่าในอดีตการในการแห่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัศ ป, ปะประณิปานแล้วกุลบุตรสองคนพี่น้องออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกทั้งหลายบรรดากุลบุตรสองคนนั้นคนพี่ชื่อว่าโสทนะ คนน้องชื่อว่ากัปปิละส่วนมารดาของคนทั้งสองนั้นชื่อว่าสาธนีน้องสาวชื่อว่าตาปนาแม่หญิงทั้งสองนั้นก็บวชแล้วในสำนักของภิกษณุณีเมื่อคนเหล่านั้นบวชแล้วอย่างนั้นพี่น้องทั้งสองทำข้อวัดปฏิบัติแก่พระอาจารย์และพระอุปชาอยู่ ได้วันหนึ่งถามว่าทุระในพระาศาสนานี้มีเท่าไหร่ก็ได้รับคำตอบว่าทุระมีสองอย่างคือคันถาทุระและวิปั ส, สนาทุระภิกษุผู้เป็นพี่คิดว่าเราจะบาเพ็ญวิปั ส, สนาทุระอยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์และพระอุปชาห้าปันศาแล้วเรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหันต เข้าไปสู่ป่าพยายามอยู่ก็บรร ล, ลุราตผลส่วนภิกษุน้องชายคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ในเวลาแก่จึงค่อยบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเริ่มตั้งคันธาธุระเรียนพระไตรปิฎกบริวารเป็นอันมากก็ได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยปริยัตของเธอลาบก็ได้เกิดขึ้น พระอาศัยบริวารเธอเมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นผู้สดับมากอันความทยานอยากในลาบรอบงาแล้วเพราะเป็นผู้สาคัญตัวว่าฉลาดยิ่งย่อมกล่าวแม้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรอันคนอื่นกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าวแม้สิ่งที่ไม่ควรว่า เป็นสิ่งที่กวนกล่าวแม้สิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษกล่าวแม้สิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษเท่นั้นแม้อันภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายกล่าวว่าท่านกัปปิละอย่าได้กล่าวอย่างนี้ดังนี้แล้วแสดงธรรมและวินัยกล่าวสอนอยู่ก็กล่าวกับพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกท่านจะรู้อะไร พวกท่านเป็นเช่นกับกำมือเปล่าเป็นต้นแล้วก็เที่ยวขู่ตวาดภิกษุทั้งหลายอยู่ในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายบอกเนื้อความนั้นแม้แก่พระโสนาเนระผู้เป็นพี่ชายของเธอแล้วแม้พระโสนาเนระก็ได้เข้าไปหาเธอแล้วตักเตือนว่าคุณกปิละก็การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลาย ผู้เช่นเธอชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการเป็นบัตรชอบแล้วกล่าวคัดค้านสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรเป็นต้นอย่างนั้นเลยภิกษุกัะปิลานั้นไม่ได้เอื้อเฟือ้อถ้อยคำแม้ของผู้พี่เลยแม้เป็นเช่นนี้พระเถระก็ตักเตือน2ถึงสมครั้ง ทรบเธอผู้ไม่รับคาตักเตือนว่าเธอผู้นี้ไม่ทำตามคำของเราจึงกล่าวว่าเอาหลักกะไปละถ้าอย่างนั้นเธอก็จะได้รับคำของตนด้วยตนดังนี้แล้วก็หลีกไปจำเดิมแต่นั้นพิกสุทธิท้หลายผู้มีศีลเป็นที่รักแม้เหล่าอื่นทอดทิ้งเธอแล้วเธอเป็นผู้มีความประพฤติชั่วอันพวก ผู้มีความประพฤติชั่วแวดล้อมอยู่วันหนึ่งคิดว่าเราจะสวดปฏิโมกจึงถือพัดไปนั่งบนธรร ม, มาตในโรงอุโบสถแล้วถามว่าท่านทั้งหลายปฏิโมกย่อมเป็นไปเพื่อพิสูจน์ทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วในที่นี้หรือเห็นพิสูจน์ทั้งหลายนิ่งเสียด้วยคิดว่า ประโยชน์อะไรด้วยคำโต้ตอบที่เราให้แก่ภิกษุผู้นี้จึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำก็ดีวินัยก็ดีไม่มีประโยชน์อะไรด้วยปาติโมกที่พวกท่านจะฟังหรือไม่ฟังดังนี้แล้วก็ลุกไปจากอาศัศนะเธอยังศาสนาคือปริยัตกองพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัจส ป, ปะให้เสื่อมลงแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้แม้ท่านพระโสนะเถระผู้เป็นพี่ชายก็ได้ปรินิพานในวันนั้นนั่นเองในการต่อมาในการสิ้นอายุภิกษุกัปปิละนั้นได้เกิดในอเวจีมหารกมารดาและน้องสาวของเธอแม่นั้นก็ถึงทิฏฐานุคติของเธอนั่นแหละดาบริภาทภิกษุทั้งหลาย ผู้มีศีลเป็นที่รักแล้วก็บังเกิดในอเวจี v G มหานรกนั้นเหมือนกันก็ในการนั้นมีบุรุษ500คนทำโจรกรรมมีการปล้นชาว บ, บ้านเป็นต้นเป็นอยู่ด้วยกิริยาของโจรถูกพวกมนุษย์ในชนบทตามจับแล้วก็หนีเข้าป่าไม่เห็นที่พึ่งอะไรในป่านั้นเห็นภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นวัด รูปหนึ่งทําการสการะไหว้แล้วจึงกล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกข้าพเจ้าเถิดพระเถระได้กล่าวว่าชื่อว่าที่พึ่งเช่นกับศีลย่อมไม่มีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านแม้ทั้งหมดจงสมาทานศีน้าเถิดจนเหล่านั้นจึงสมาทานศีลทั้งหลายในลําดับนั้น ระเตระจึงได้ตักเตือนโจรเหล่านั้นว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลพวกท่านไม่ควรล่วงศีลแม้พระแห่งชีวิตเลยความประทุษร้ายทางใจก็ไม่ควรทำโจรเหล่านั้นได้รับทราบการปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ในเวลานั้นเจ้าชนบททั้งหลายมาถึงที่นั่นแล้วค้นหาข้างโน้นข้างนี้ พบโจรเหล่านั้นแล้วก็ช่วยคันปรงชีวิตเสียทั้งหมดพวกโจรเหล่านั้นตายแล้วก็บังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรเทพบุตรเหล่านั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งด้วยอํานาจอนุโลมและปัตุโลมในพุทธประบาทการนี้บังเกิดแล้วในบ้านจ่าประมง ห้าอตระกูลใกล้ประตูพระนครสาวพิีหัวหน้าเทพบุตรถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหน้าชาวประมงพวกเทพบุตรนอกนี้ถือปฏิสนธิในเรือนชาวประมงนอกนั้นการถือปฏิสนธิและการออกจากท้องมารดาแห่งชนเหล่านั้นได้มีแล้วในวันเดียวกันทั้งนั้นด้วยประการชนี้ หัวหน้าชาประมงคให้คนเที่ยวสแสวงหาว่าพวกทารกแม้เหล่าอื่นในบ้านนี้ที่เกิดแล้วในวันนี้มีอยู่บ้างไหมได้ยินว่าความที่ทารกเหล่านั้นเกิดแล้วจึงสั่งให้ให้รับค่าเลี้ยงดูแก่ชาประมงคเหล่านั้นด้วยตั้งใจว่าพวกทารกนั่นจะเป็นสหายของบุตรเราทารกเหล่านั้นแม้ทุกคน ได้เป็นสหายเล่นฝนร่วมกันได้เป็นผู้เจริญวัยโดยลำดับแล้วบรรดาเด็กเหล่านั้นบุตรของหัวหน้าชาประมงได้เป็นผู้เยี่ยมโดยยศและอำนาจแม้ภิกษุกัปปิละไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งแล้วในการนั้นได้บังเกิดเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำอจิรวดีมีสีเหมือนทองคา มีปากเหม็นด้วยเศษแห่งวิบากกรรมต่อมาวันหนึ่งสหายเหล่านั้นปรึกษากันว่าเราจะจับปลาจึงถือเอาก็เรื่องจับสัตว์น้ามีแหเป็นต้นทอดไปในแม่น้าที่นั้นปลานั้นได้เข้าไปสู่ภายในแหของคนเหล่านั้นชาวบ้านประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแล้ว ก็ส่งเสียงเอ็ดดึงว่าลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรกจับได้ปลาทองแล้วกล่าวนี้พระราชาจับพระราชท า, านทรัพย์แกเราเพียงพอสหายแม้เหล่านั้นแหละเอาปลาใส่เรือยกเรือขึ้นแล้วก็ได้ไปสู่พระราชาสำนักแม้เมื่อพระราชาทอาพระเนตรเห็นปลานั้นแล้วก็ตรัสว่านั่นอะไร พวกเขาได้กราบทูลว่าปลาประชข้าพระราชาตอปพระเนธเห็นปลามีสีเหมือนทองคำทรงดมรีว่าพระศาสดาจะทรงทราบเหตุที่ปลานั้นเป็นทองคำนังนี้แล้วรับสั่งให้คนถือปลาได้เสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อปลาอันปากพออ้าเท่านั้นพระเชตวันทั้งสิ้น ได้มีกลิ่นเหม็นเหลือเกินพระราชาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระเหตุใดปลาจึงมีสีเหมือนทองคาและเพราะเหตุใดกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของมันพระผู้มีพระภาคตอบว่ามาปรพิษปลานี้ได้เป็นภิษุชื่อกปิละเป็นผู้หูสูรมีบริวารมากในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่ากัส ป, ปะถูกความทยานอยากในลาบสการะครอบงำแล้วด่าบริภาษพวกภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ถือคำของตนยังพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากส ป, ปะให้เสื่อมลงแล้วเขาบังเกิดในอเวจีมหารกด้วยกรรมนั้นแล้วบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบากกรรมนั้น ก็เพราะเธอบอกพระพุทธวจนะกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานจึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำนี้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นและเธอได้เป็นผู้ด่าบริภาสภิกษุทั้งหลายกลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอด้วยผลแห่งกรรมนั้นมาาบพิษอัตมาภาพจะให้ปลาหนึ่งพูดลาดับนั้น พระสัสดาจึงตรัสถามปลานั้นว่าเจ้าชื่อกับิละหรือปลาตอบว่าพระชข้าข้าพระองค์ชื่อกับิละเจ้ามาจากที่ไหนมาจากอเวจีม า, านรกพระชข้าพระโสธนพี่ชายของเจ้าไปไหนปฏินิพพานแล้วพระชวข้าก็นางสาธนีมารดาของเจ้าเล่าไปไหนเกิดในนรกพระชวข้า นางตาปนาน้องสาวของเจ้าไปไหนเกิดในมหารกพระเชาา้าข่าบัดนี้เจ้าจะไปที่ไหนปลาชื่อกบิลัคจึงกราบทูลว่าจะไปสู่อเวจีมหารกดังเดิมพระเชาา้าดังนี้แล้วอันความเดือดร้อนกราบง่ำแล้วเอาศีสะฟาดเรือตายลงในทันทีนั่นเองเกิดแล้วในนรก มหาชนในที่นั้นได้สลดใจมีโลมาชาติชูช่ชันแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูวาราจิตของบริษัทผู้ประชุมกันในขณะนั้นเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้สมควรแก่ขณะนั้นจึงตรัสกับปิละสูตรในสุดตนิบาตว่านักปราชตั้งหลายได้กล่าวการประพฤติธรรม ประพฤติประมจันนั่นว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนี้เป็นต้นแล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่าตัณหาดุดเถาย่านทรายย่อมเจริญแก่คนผู้มีปกติประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่พบน้อยใหญ่ดังวานอนตัวปรารถนาผลไม้อยู่โลดไปในป่าฉนั้นตัณหานั่น เป็นธรรมชาติหลามกมักแพรลซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดไ ด, ได้ความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุดย้าคมบางอันฝนตกรดแล้วเจริญอยู่ฉะนั้นแต่ผู้ใดย่ยอมย่ำยีตัณหานั่นซึ่งเป็นธรรมชาติหลามกยากที่ใครในโลกจะล่วงไปได้ ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้าตกไปจากใบบัวฉชนั้นเพราะเหตุ น, นั้นแลเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่ประชุมกันแล้วนที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตัญหาเสียเถิดประเดหนึ่งผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าคมบางเสียฉะนั้น มารยาระลานท่านทั้งหลายบ่อยๆดุดกระแสน้าระลานไม้อ้อฉะนั้นในการจบธรรมเทศนานี้บุตรชาประมงทั้งหถึงความสังเวชปรารถนาการทำที่สุดแห่งทุกบวตในสำนักของพระผู้มีพระภาคได้ทำที่สุดแห่งทุกได้ต่อการไม่นานเท่าไหร่ก็ได้เป็นผู้มีการบริโภคเป็นอันเดียวโดยรม เป็นเครื่องบริโภคคือเนชาวิหารธรรมและสมาปฏิธรรมร่วมกับพระศาสดาดังนี้ข้าพเจ้าพระไพบุนพณนี่พิุญโนจากวัดป่าดอานหายโศกอำเภอหนองอานจังหวัดอุดรธา น, นีวันนี้เอานิทานมาให้ท่านฟังฟังนิทานเรื่องนี้พระที่เรียนหลักสูตรมหาปริยญาน่าจะเป็นพระเนนหรือว่า ครว่าแม่ชีแม่ขามแม่ชีครว่าตยาโยมที่เรียนในหลักสูตรบาลีเรียนทำสามประโยคเนี่ยก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทเรื่องนี้อยู่ในระภาคที่8แนตะ่ที่เอานิทานเรื่องนี้มาให้ฟังนั้นก็รปะว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวนะคือเป็นเรื่องของปลาตัวหนึ่งนะที่เกิดอยู่ในสมัยบรรพชตาของเรานะนิทานเรื่องนี้ก็ อ่าเป็นนิทานที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แต่งขึ้นมานะก็มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ในพระอัิยดกนั่นเองอนิทานเรื่องนี้อ่าก็เป็นเรื่องราวของปลาตัวหนึ่งนะซึ่งปลาตัวนี้จริงๆแล้วเป็นภิกษุมาก่อนนะที่น่าสนใจก็คือว่าอ่าพระเนี่ยภิกษุเนี่ยรูปหนึ่งอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแตนะ่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นปรนิทินผ่านไปแล้วนะก็คือเหมือนอย่างในสมัยเราอย่างเี้ พระพุทธเจ้าชื่อโคดมเนี่ยปารินทร์นี้ผ่านไปแล้วนะก็มีพระมาบวชในหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินทร์ผ่านไปแล้วนะเ่นเดียวกันกุลบุตรที่ชื่อว่ากปิระนี้นะเขาก็บวชในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นปรินทร์ผ่านไปแล้วนะสองพี่น้องก็บวช ด, ด้วยกันนะคนพี่นั้นก็ชื่อว่ า, าโศทนะคนน้องชื่อกัปปิละนะทั้งแม่แล้วก็น้องสาวก็บวช ด, ด้วยนะผู้แม่ก็ชื่อสาธนี ผู้น้องสาวก็ชื่อตาปนาผู้หญิงก็ทั้งแม่ครับมาอาน้องสาวนั้นก็บวชในสมณของภิกษุ น, นีส่วนตัวพระกบิละกับพี่ชายชื่อโสธนานั้นก็บวชในสมณพิสุทธ์ทั้งหลายพอบวชแล้วก็ทําการศึกษาเล่าเรียน น, ยนั่นเองนั้ก็พบว่ามีการปฏิบัตินั่นคือเรื่องของวิปัสสนทุละแล้วก็มีการเรื่องของเรียนส่วนที่เรียนประหยัดเือคันตรุระทั้งสองนั้นก็รอให้ ครบรบหาพรรษาละพี่ชายก็เลยไปออกปฏิบัตนะิเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองแก่แลวนะ้วจะต้องรีบปฏิบัติเพื่อให้ผลจากทุกเสถียรนะส่วนน้องชายนั้นนะท่านพระกัปปิระก็คิดว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่นะยังยังหนุ่มอยู่ไว้ค่อยแก่ๆค่อยไปนั่งสมาธิก็แล้วกันนะก็เลยไปเรียนเรื่องการปริยัติซะก่อนนะเรียนคัมพีเรียนพระไตรปิฎกเรียนอะไรต่างๆมากมายนะพอไปเรียนศึกษาแล้วก็นะ เหมือนกันในปัจจุบันที่เรามีการเรียนการสอนอยู่นี้ในโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนพระป ร, ะริยัติธรรมต่างๆในะส่วนพี่ชายก็เลือกอีกทางหนึ่งในการที่จะไปออกปาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินั้นะปรากฏว่าพี่น้องเลือกคนละทางในะคนพี่ก็ไปออกปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันตะ์พอเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์แล้วต้องทําจิตยังไงฝึกยังไงสู้กับนิวรณ์ยังไงเอาออกปาหลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันตะ์ในส่วนตัวน้องนั้น ก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะศึกษาหาความรู้ในพระไตรปิฎกไปนะก็เรียกว่าคันธาตุระนะปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีลาบบริวารมากนะมีชื่อเสียงมีลาบเสียงสการ a มีคนยกย่องนับหน้าตือตามากนะก็เลยเมานะเมาในความเมาด้วยความเป็นผู้สดับมากแหมคำนี้สวยงามมากท่านฟังนะคือการเป็นพระหูสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะนะแต่มันจะมีความเมาที่แฝงมา ในความเป็นพหูสูตนั้นถ้าเราเห็นโทษในความเมานี้เราลากความเมาออกได้ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษนะของพระหูสูตรตรงนี้ของความเมาตรงนี้เราจะเมาในสิ่งนั้นได้นะคือไม่ได้เมาในความเป็นพหูสูตรแต่เมาในความเมาที่เกิดขึ้นของความเป็นพหูสูตรตัวพระหูสูตรเนี่ยใครก็ตามเป็นพหูสูตรเป็นผู้ที่มีความสดับมากมีความจําดีนั้นดีแน่นอนแต่มันจะมีความเมาที่อาจจะเกิดกันได้ถ้าเราไม่ระวัง เราจะไปเมาไอตรงความเมานั้นนะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระกะปิละนั่นเองนะเพราะพระพกะปิละเมาแล้วก็บอกว่าอะไรที่มันไม่ควรก็บอกว่าควรอะไรที่มันควรก็บอกว่าไม่ควรนะสลับก็ไม่สลับกันมาก็หนึ่นว่าเตือนก็ไม่ฟังนะตรงนี้เป็นเหตุที่ทํำให้พระแม้กระทั่งเป็นพระหูสูตรเนี่ยในกรณีของท่านกะปิละเนี่ยก็ไปตกนรกท่านฟั ง, งนะพะพสิน้นอายุขัยตายไปไปตกนรกนะในการนั้นในชาติเดียวกันนั้นในช่วงเวลานั้นก็มี โจรเหมือนกันโจร500คนเขาก็ไปปล้นนะโจรไปปล้นในเมืองกลับไปขึ้นสวรรค์ น, นะเพราะว่าหนีหนีมาจากในเมืองชาวชนบทชาวบ้านเขาลุกคือขึ้นต่อสู้พวกโจรใช่ไหมโจรก็หนีมาหนีมาเสร็จไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็เห็นพระอยู่ก็เลยไปขอความอนุคราบจากพระเจ้าประสงค์พระก็เลยบอกว่าเอางานสมาทานศีลซะนะให้สมาทานศีลแล้วก็สอนว่าเอาละเธอเป็นคนมีศีลแล้วนะอย่าได้ผิดศีลเลยอย่าได้ทําให้ดี อ่าล่วงศีลของตนแม้เพราะจะต้องเสียชีวิตก็ตามนะให้ตั้งใจในการรักษาศีลให้ดีอย่าไปประทุษร้ายคนอื่นทางใจนะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยสั่งสอนไว้เงี้ยพอในการต่อมาชาวบ้านก็ตามมาเจอนี่เอ๋อโจรทำไมไมาอยู่ที่นี่ก็เลยจัดการฆ่าซะนะโจรพวกนั้นด้วยความที่จิตของตัวเองนั้นมีศีลอยูนะ่ต่อให้เสียชีวิตก็ไม่ล่วงศีลของตัวเองนะเป็นผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นทางใจนะก็เลยได้เกิดไปเป็นเทวดา นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจใ่นผู้ฟังโจรไปปล้นมากลับไปเกิดเป็นเทวดานะพระเรียนหนังสือนะมีความเป็นผู้อุสูตรกลับไปตกนรกนะเพราะว่าความที่พระนั้นผู้นี้คือพระกบิลาเนี่ยมัวเมาในความความเมาที่เกิดจากความเป็นผู้สดับมากแต่โจร น, นั้นรักษาศีลไม่ประทุษร้ายคนอื่นตทางใจจึงได้ไปขึ้นสวรรค์นะสวนกันเลยนะกลุ่มโจร500นี้ไปขึ้นสวรรค์ พระกาศปีลานี้ไปลงนรกนะเสร็จแล้วชั่วเวลาพระพุทธเจ้าผ่านไปนะจากพระพุทธากัสสปะมาถึงพระพุทธเจ้าสมณโคดมก็มาพบกันอีกครั้งนึ่ในคราวนี้มาพบกันนี่แตกต่างกันไปเนะืโจรก็มาเกิดในชาวประมงเป็นชาวประมงแนะที่มาเกิดเป็นชาวประมงนั้นก็เพราะว่าคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยจำฝังคตินี่มันไม่แน่นอน จะเกิดสูงเกิดตามบางทีเราทํากรรมมาดีเอาไปเกิดในครอบครัวยากจนเพราะความที่สังสารวัตรนั้นมันหมุนไปโดยอนุโลมบ้างปฏิโลมบ้างนะก็เลยทําให้ไปเกิดในเป็นชาวประมงห้0ร้อยคนนะส่วนพระก ป, ปิละไปตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปลาปลาตัวเบิ่มเลยนัานฟังนะปลาตัวใหญ่แล้วก็มีสีทองนะพอพวกชาวประมงห้าร้นะี้ก็ไปจับปลาครั้งแรกแล้วนะก็ไปจับปลากปิละนี้ได้พอดี ก็เลยมีความคิดโอ้โหฉันจับปลาครั้งแรกนี่ได้ปลาตัวเบิ่มเติมเลยแล้วก็มีสีทองด้วยก็คิดว่าจะเอาไปถวายพระราชาเพื่อที่จะขอปูนบําเหน็จรางวันนะคือการหากินบางทีมันยากนะเอาไปถวายพระราชาเพื่อจะได้รางวัลงามๆดีกว่าพอเอาไปให้พระราชานะอาไปในวังแต่พระราชาก็เห็นว่าโอ้ oh, ปลาตัวนี้สีทองแฮะแต่ว่าปลาตัวนี้พอเปิดปากเท่านั้นเอง oh, กินเหม็นคลุ้งไปทั่ววังเลยก็เลยอาจจะเอาไปให้พระพุทธาดู นะว่าเอ๊ะทำไมปลาถึงมีปากเม้นถึงมีตัวสีทองพระพุทธเจ้าก็เลยเให้ด้วยอํานาจของท่านด้วยฤทธิ์ของท่านก็เลยให้ปลานี้สามารถที่จะพูดได้สื่อสารได้นะก็เลยคุยกันก็พบว่าปลาเนี้ยที่เป็นสีทองมาเนี้ยก็เพราะว่าความที่ตัวเองนั้นเป็นผู้หูสูตรนะความที่ตัวเองนั้นอคอยบอกพระพุทธวจนะนะคอยบอกคอยที่พยจะจะบอกสอนแก่ผู้อื่น แต่เพราะว่าความที่ตัวเองนั้นด่าบริภาษ์ผู้ภิกษุทั้งหลายน่นะไม่ถือผู้ที่ไม่สื่อคําสอนของตนนั่นเราก็ทําพระศาสนาให้เสื่อมนั่นคือการแตกกันเนี่ยมันเป็นการเสื่อมของศาสนาละในะการที่ไม่ลงอุโบสถร่วมกันในะการที่คนนั้นพูดเราก็ไม่ฟังเป็นผู้ที่ไม่รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ที่แตกสามะคีการด่าคนนั้นคนนี้อันนี้ชื่อว่าเป็นความเสื่อมของศาสนาเป็นความเสื่อมของคําสอน ก็เลยทำให้ตัวเองนั้นต้องไปตกนรกแล้วด้วยเศษของกรรมนั้นก็ยังมีปากเหม้นด้วยส่วนพวกชาวประมงห้0รนั้นพอเห็นเรื่องราวนี้นนก็รู้สึกโอ้โหสลดสังเวชมากนะดูขนาดในชาติก่อนนู้นที่ตัวเองเกิดเป็นพระใช่ไหมพระกบิลัเนี่ยเกิดเป็นพระนะพี่ชายเตือนแล้วไม่ฟังนะเป็นผู้ที่ไม่รับฟังคําตักเตือนด้วยความคารพหนักแน่นนะที่เอาไปบอกสอนคนคอื่นด่าคนอื่นทําตัวเป็นบัณฑิตลืมตัว ลืมตัวถึงกิเลส ท, ที่อยู่ในใจนะที่เป็นเหตุให้ต้องทะเลาะกันนะคือราคะโทสะโมหานั้นลืมไปนะเป็นผู้ที่มัวเมาในความเมาที่เกิดจากความเป็นผู้สดับมากพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วปนะระชาชนที่นั่นก็รู้สึกว่าสลดสังเวชแล้วก็ได้ตรัสสรุปเรื่องนี้เป็นคาถานะซึ่งถ้าผู้ศึกษาก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะตรัสคําที่เป็นคาถาก็คือเป็นคําโครงคํากรนะที่มีบทสัมผัสในลักษณะของภาษาบาลีเนี่ย เรียว่าเป็นคาถาหรือเป็นคํากลอนเอาไว้เพื่อเป็นการสรุปเรื่องราวต่างๆในที่นี้ก็ตรัสสรุปเอาไว้เป็นคาถาว่าถ้าเผื่อว่าใครก็ตามที่ยังมีตันหาตันหานี่เหมือนกับหมามุ่ยนะท่านฟังโดนปุ๊บมันจะคันมันจะอยู่ไม่เป็นสุขมันก็ไปทำอันนั้นทำอันนี้แล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นหญ้าคาถ้ามีน้ํำมารดลงไปคือมีอารมณ์ต่างๆมารดลงไปนํานหญ้าคาเนี่ยพอมีน้ํามารดมันก็โตมีรากของมัน นั่นก็คืออวิชานะตัวมันเป็นญ่าคาที่จะคอยปกคลุมปิดคลุมไม่ให้พืชพันธุ์อะไรต่างๆโตไดนะ้แล้วก็ถ้าบกว่าเปรียบเทียบไปอย่างหนึ่งก็เหมือนลิงนะลิงที่อยู่ในป่าโลดโผนไปอย่างเงี้ยจะไม่หยุดเลยจนกว่าจะได้ผลไม้ตามที่ตนต้องการใบเรื่อยจากกิ่งนั้นไปกิ่งนี้นะเร่ร่อนเหมือนลิงที่ปรารถนาผลไม้ในป่านั่นะก็คือการเร่ร่อนจากพบนั้นไปพบนี้จากพบนี้ไปพบโนน แล้วใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วก็ถ้าผมว่าใครก็ตามที่ต้องการจะทําลายเอาหญ้าแฝกนี้ออกไดนะ้ก็จะต้องไปเชาะเคาะตัดมันที่รากนะรากในที่นี้ก็คื อ, อวิชาเพนะื่อที่จะดึงให้ออกไปจากตรงนี้ได้ถ้าใครทําอย่างนั้นได้แล้วก็เปรียบส่วนกับน้ําที่หยดลงบนใบบวัวนะก็จะกลิ้งออกไปนะคือมีการเปรียบเทียบระหว่างน้ําที่หยดลงบนหญ้าคา แลมันก็จะมีแต่โตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นน้ํานั้นก็เปรียบเสมือนอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหยดลงบนใจที่ยังมีตัณหามหี่ยวิชาอยู่ในตัณหาวิชานั้นก็ยิ่งจะงอกงามมากขึ้นแต่ถ้าหยดลงบนใบบัวนั่นก็เปรียบเสมือนใจที่ชอเอาตัณหาชอเอาอวิชชาออกไปนะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่หยดลงใบบัวนั้นลงบนใบบัวนั้นก็กลิ้งออกไปนัก็ไม่มาฉาบทาอยู่ที่จิตเป็นจิตที่ไม่คล่องไม่ปัวพัน ไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นนั้นแล้วถ้าใครที่ละขุดรากตัณหาเสียได้นะประหนึ่งบุคคลที่ขุดหญ้าออกเนี่ยเขาจะเอาเสียมมาชฉะ อ, ออกนั้นนั้นจะเป็นการที่จะทําให้เราสามารถที่จะพ้นจากตัณหาได้เพราะในวันนี้ก็นํานิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านฟังฟังนะใเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยุรบาจารย์รุ่ น, นก่อนๆนะที่มีปรากฏอยู่ในคำปีแล้วก็ก็คิดเห็น นะข้อที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าเราอย่าเมาอย่าเมาในความเมาที่เกิดจากความเป็นผู้สดรับมากอย่าเป็นผู้ที่บอกยากสอนยากให้เป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายอย่าเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าบัณฑิตลืมตัวแต่ให้เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ลืมตัวและเป็นผู้ที่มีศีลเป็นที่รักเป็นผู้ที่คอยรับฟังคาตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเราก็จะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากภัยอันตรายในสังสารวัตนี้ได้ น, นี้เวลาหมดลงแล้วครับเจ้าพระภัยบุญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริยนปอน